207. ความจริงจึงเป็นแค่ฝันของคนผู้ปุถุชนสัจจะคือความจริงที่พระพุทธเจ้าสรัสว่าสัจจะมากหลายต่างๆกันเว้นจากสัญญาว่าเที่ยงไม่มีในโลกเลยพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ419จูละวิยูหาสูตร เว้นจากสัญญาว่าเที่ยงสัญญายนิจานิขยายความขึ้นอีกก็คือเว้นแต่ว่าในความกาหนดหมายของใครก็ของตนที่ยังหมายเอาของตนเองว่าเที่ยงนั่นเองเพราะใครๆก็ได้ยินมาว่าสัพเพธรร ม, มาอนิจังทาทั้งหลายทั้งปวงไม่มีอะไรเที่ยงเลยในโลกใช่ไหม ที่ว่าความจริงสัตว์จะหลากหลายต่างๆกันไม่มีเลยในโลกที่พระพุทธเจ้าตรัสจึงชัดเจนยิ่งแต่สำหรับผู้ที่ความรู้ความคิดยังกําหนดหมายสัญญาความเที่ยงใดความเที่ยงนั้นอยู่สัตว์จากของเขาก็มีเป็นตนเป็นของตนอยู่ทุกคนนี่แหละความจริงของตน ดังนั้นยิ่งใครยังหลงผิดยึดเอาแต่ฝันซึ่งคือวิปลาสแท้ๆอยู่ว่าเป็นความจริงที่ตนต้องมีให้ได้จึงเป็นคนที่ยังมีทั้งฝันมีทั้งวิปลาสชานี้แลคือผู้ยังมีในโลกสมุ ท, ทยัยโลกปุถุชนผู้บรรลุโลกนิโรธเท่านั้นที่ไม่มีทั้งความจริงและฝัน แล้วอาศัยนิสิโตทั้งมีและไม่มีอยู่ในโลกด้วยสัมมาทิฐิตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ลึกซึ้งยิ่งในพระไตรปิฎกเล่ม16ข้อส3ความจริงจึงเป็นแค่ฝันของผู้ปุถุชนทั้งหลายทุกคนซึ่งยังมีฝันอยู่ทั้งขณะมีชีวิตเป็นเป็น ทั้งตายไปก็ยังจริงอยู่กับฝันเพราะฉะนั้นปุถุชนคนผู้ใดที่วิปลาสว่าโลกธรรมเป็นความจริงหรือรสอร่อยรสสุขรสสนุกความเพลินของทุกสรรพสิ่งในโลกและอื่นๆเป็นความจริงโลกธรรมและรสอร่อยรสสุขรสสนุกความเพลินของทุกสิ่งและอื่นๆ ที่ยังเป็นสวรรค์ขั้นกามาวจรจึงเป็นความจริงอยู่ในฝันของปุถุชนคนนั้นทุกคนผู้ได้เสบรถอร่อยนี้จิตกำลังขึ้นสวรรค์เป็นเทวดาก็คือคิดทาปโทสิกะพระไตรปิฎกเล่ม9ข้อ32เล่มหข้อสอง